สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสความเมตตาสงเคราะห์โลกของหลวงต่ามิใช่ว่าจะสิ้นสุดเพียงที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นท่านยังให้ความเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอกาสในที่ต่างๆอาทิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเก็ดสถานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทั่งผู้ประสบภัยธรรมชาติร้ายแรงตามภูมิภาคต่างๆท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหตุผล ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากดังนั้นการสงเคราะห์จึงมีหลายแบบต่างๆกันไปเช่นค่าจ้างพี่เลี้ยงผู้อภิบาลเด็กพิการทางสมองและปัญญาค่าก่อสร้างอาคารสถานที่และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้นความเมตตายางหาประมาณมิได้ในส่วนนี้ของท่านจึงแผ่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วประเทศตามเหตุผลอธรรมที่ควรเป็นซึ่งท่านเคยกล่าวไว้บ้างดังนี้ไม่ว่าแต่โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆเราก็ให้เช่น อย่างสถานสงเคราะห์ บ, บ้านเข้าสารนี้เราก็ช่วยที่อื่นเราก็ช่วยไม่ช่วยแต่ที่แห่งเดียวแล้วคนทุกคนจนมีความจำเป็นยังไงบ้างที่ควรจะช่วยเป็นรายบุคคลบุคคล น, นั้นเราช่วยมาตลอดอันนี้กว้างขวางมากไปหลายจังหวัดภาคไหนก็ไปหมด บางทีส่งแต่เงินไปให้ก็มีบางทีเจ้าของไปดูเองปลูกบ้านให้ก็มีซื้อที่ให้ก็มีทั้งซื้อที่ทั้งปลูกบ้านให้ก็มีนี่เรียกว่าช่วยรายบุคคลที่จำเป็นช่วยทั่วไปแต่นี้เราไม่ค่อยพูดไม่ค่อยประกาศระบุชื่ออะไรแหละให้แล้วเงียบไปเลยเงียบไปเลย เพื่อรักษาเกียรติเขาสิ่งที่ควรจะพูดเราก็พูดได้เช่นรายที่ออกทางหนังสือพิมพ์แล้วเป็นการเปิดเผยแล้วเวลาเราช่วยเราก็พูดบ้างถ้าเป็นเรื่องไม่มีหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องมาพูดขอความช่วยเหลือกันโดยเฉพาะเฉพาะนี้เราก็ให้เป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะไปเลยแล้วเหมือนไม่ให้ให้แล้วผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆ อันนี้ช่วยตลอด อพยพจํานวนมากมายต่างหนีร้อนมาพึ่งเย็นชั่วครู่ชั่วยามที่จังหวัดหนองคายคราวนั้นหน่วยราชการต่างโอนละมานด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับผู้อพยพเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องชุกละหุกเฉพาะกิจเร่งด่วนทั้งจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการอยู่ที่พักหลับนอนขับทาย เกี่ยวกับสาธารณูปการต่างๆพอได้พักได้อาศัยกันไปก่อนชั่วครู่ชั่วยามจึงเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจแก่หน่วยที่รับผิดชอบอยู่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อท่านทราบถึงเรื่องนี้เพื่อช่วยกันเข้าอุ้มภาระใช้จ่ายของหน่วยราชการ และที่สําคัญด้วยความเมตตาสงสารต่อพี่น้องชาวลาวซึ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันเลยเรื่องเลือดเนื้อเชื้อไขเพราะอดีตเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดเรื่อยมาสิ่งสกัดกั้นมีเพียงแม่น้ําโขงเท่านั้นเองอีกทั้งท่านว่าต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อประสบกับ ความทุกข์อย่างสาหาัสทั้งทางกายและตื่นตระหนกเสียขวัญทางใจเช่นนี้ด้วยแล้วท่านจึงรีดแสดงความเมตตาเข้าช่วยเหลือทันทีดังนี้เช่นอย่างพวกเวียงจันทร์พวกประเทศลาวข้ามมาก็มาเต็มอยู่นี้โหหลายหมื่นเต็มอยู่ที่หนองคาย ดูเหมือนเราไปแจกของถึงสามครั้งด้วยกันแจกถึงสองสามวันถึงหมดถึงหมดแต่และครั้งนี่นะครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองกับที่สามนี่หนักมากแจกเอาอย่างเต็มเหนียวคือแจกด้วยความยุติธรรมที่ให้เสมอกันหมดไปสำรวจเอาตัวเลขมาเลยไม่เอาครอบครัวเอาตัวเลขมีเท่าไหร่แจก เพราะฉะนั้นมันถึงนานคนเขาแจกช่วยกันเยอะนะอย่างคนที่มารับมันก็มากสองวันสามวันรถสิบล้อนี่โอ้โหจอดกันเป็นแถวเลยข้าวเต็มเอียดเต็มเอียดและเครื่องกระป๋องก็เหมือนกันอีกรถสิบล้อสิบล้อถ้าหากว่ามันขาดตรงไหนตรงไหนให้เขาวิ่งไปตลาดโอ้โห ตลาดก็ถามเลยจะเอาไปไหนนักหนาละ่ะพอว่าอาจารย์มหาบัวแล้วโหยคือเขาเสียดายที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้ขายนี่เวลาไปมันไม่พอละสิเข้าไปร้านนั้นแล้วไปร้านนี้กวานเอาร้านนั้นร้านนี้ลงบัญชีไว้หมดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจ่ายตามนั้นเลยทันทีนอกนั้น ไม่ได้คำนึงละเรื่องเงินเรื่องทองนี่หน้านี่เท่าไรเอามาว่างั้นเลยบอกเอามาพอเสร็จแล้วเราค่อยสั่งจ่ายทีเดียวปั๊บเลยน้องคายนี้ก็สามครั้งนะ ในผู้ประสบทุกภัยต่างๆยังมีอีกหลายประการแจกแจงไม่หมดสิน้นจะขอยกมาแสดงบ้างดังนี้ไฟไหม้ที่ไหนที่ไหนเราจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนทั้งนั้นรถนี้โถรถสิบล้อสิบล้ อ, ลอนี่เป็นอัธยาศัยมาดั้งเดิมไฟไหม้ที่ไหนที่ไหนอำเภอ น, นอำเภอนี้ เราจะยกขบวนไปเลยทางไหนบ้างมีอยู่เรื่อยๆนะไฟไหม้ที่ไหนที่ไหนทางอำเภอบ้านดุงบ้างที่ไหนบ้างก็ให้เขาแจกแบบเดียวกันเครื่องกระป๋องก็เต็มรถเต็มรถเลยบ้านดุงนี้ดูว่าเหลือไปทางไหนบ้างนะไปทางโรงเรียนอะไรบ้างเพราะเราเอาไปแจกมากจริงๆไม่ใช่เล่นๆนะ จนของที่ไปแจกนั้นพวกเครื่องกระป๋องเหลือเลยเขาเลยขอไปทางไหนทางไหนบ้างเราก็ให้ไปเพราะเราตั้งใจเอามาแจกอยู่แล้วนี่ของเหลือเท่าไร่เท่าไหรก็แจกออกไปตามโรงร่ำโรงเรียนส่วนนี้เราก็ได้สมบูรณ์ตามจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้ได้เสมอกันเหลือจากนั้นไปอีก เพราะเราเอาไปเผื่อมากมายนี่เขาก็แยกไปโรงเรียนอะไรต่ออะไรบ้างก็อย่างนั้นนะนี้ก็ไม่ให้ใครลงข่าวนะไม่ให้ลงทำแบบใต้ดินใต้ดินตลอดมา ความเมตตาสงสารต่อสรพสัตทั้งหลายนี้หลวงตาเคยให้เหตุผลว่าชาติชั้นบรรณะไม่มีลงในคำเดียวว่าสัพเพสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นครอบหมดเลยเสมอภาคเลยเห็นอกเห็นใจกันทั่วถึงหมดเลยนี่ลหละ ทาพระพุทธเจ้าฟังเอาสิคือสัตว์ทุกตัวเกิดมาได้ด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นไม่ไ ด, เ ด, ด, นนะ ด, ดไ้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของชาติชั้นวันะยศถาบรรดาศักด์อะไรเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดนอกนั้นก็แตกเป็นขแขนงออกไปสุจริตบ้าง จุชริดบ้างแล้วแต่จะเกิดนั่นเป็นเรื่องนอกต่างหากหลักของกรรมเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขาเวลานี้เขาเสวยกรรมอยู่ในวาระของกรรมของเขาอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นชั้นเป็นชั้นไปนเลยท่านจึงไม่ให้ประมาทมันเป็นวาระวาระเวลาค้นแล้วเขาสูงกว่าเราก็ได้ก็เหมือนอย่างคนลงมาจากน้ำจากหลุมจากบ่อขึ้นภูเขาทีแรกก็อยู่ใต้ก้นบ่อพอขึ้นมาแล้วเขาขึ้นภูเขาสูงกว่าเราอีกกรรมไม่แน่นอนแล้วแต่ใครสร้างของใครเอาไว้ เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์มีหิวมีอิ่มมีเจ็บป่วยมีราคะตัณหามีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์เราตัวจิตนี้เองเป็นตัวพาท่องเที่ยวให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะนี้ขึ้นอยู่กับวาระของกรรมที่ให้เสวยผลดีชั่วอย่างไรตามวาระที่เราสร้างกรรมมา จึงไม่ควรประมาทเขาไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรรังแกและไม่ควรฆ่าเขาการเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเรานั่นเองเหตุนี้เองเมื่อท่านทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากลําบาก ของบ้านสัตว์พิการซอยพระมหาการุณปากเกล็ดซึ่งเป็นบ้านที่รับเลี้ยงสัตว์หลายประเภททั้งปกติและพิการจํานวนมากหลายร้อยชีวิตด้วยความสงสารสัตว์เหล่านี้ท่านจึงอนุเคราะห์ช่วยซื้อที่ดินสร้างอาคารช่วยเหลือค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆการเข้าไปช่วยเหลือบ้านสัตว์พิการแห่งนี้ท่านเล่าถึงความเป็นมาโดยย่อดังนี้ที่ปากเกร็ดหมาตั้งสามสี่ร้อยตัวเขาออกทางหนังสือพิมพ์เราเห็นในหนังสือพิมพ์ ก็ตามไปดูไปดูโอ้โหมีเจ้หมาธิการโยเยโยเยไปดูสภาพของมันแล้วเป็นยังไงถามสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของที่เลี้ยงหมาถามทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงค่าน้ำค่าไฟค่าบริการต่างๆรอบด้านเกี่ยวกับหมานี้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่เขาว่าถ่าธรรมดาแล้ว ก็เดือนละแสนแต่นี้มันไม่มีเงินแสนสิที่จะเลี้ยงหมาบางวันเครียด จ, จนกระทั่งนอนไม่หลับเป็นยังไงถึงเครียดโอ้ยหมาก็ร้องพอหมาคนก็ทุกพอคนหมาร้องหิวโหวยไม่มีอะไรจะให้กินเจ้าของก็หมดไม่มีอะไรจะกินอาชีพเพียงเป็นครูเท่านั้นเมื่อเห็นหมาก็สงสาร เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงพอคนอื่นเห็นเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเขาก็เอามาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยงเรื่อยๆมาจนกระทั่งป่านนี้แหละบางวันเครียเดเสียจนนอนไม่หลับหมาก็ร้องพอหมาคนก็ทุกข์พอคนว่างั้นเราก็เลยถามถึงเรื่องราวต่างๆเขาบอกว่าหมดเดือนละแสน เราเลยให้เดือนละหนึ่งแสนเลยตั้งแต่บัด น, นั้นมาหลายปีแล้วนะให้เดือนละหนึ่งแสนหนึ่งแสนถ้าหากว่าขาดค้องอะไรจำเป็นอะไรให้บอกอีกนะรถเราก็จะให้เขาบอกเขาไม่เอารถเราให้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขาบอกว่าอาศัยรถเพื่อนฝูงได้อยู่ไม่เป็นไรนอกจากนี้ ก็ซื้อที่ให้หนึ่งไร่เลยแต่ก่อนเขามีอยู่หนึ่งไร่เราซื้อให้อีกหนึ่งไร่แล้วสร้างตึกให้อีกหลังหนึ่งสบายทุกวันนี้หมาปาาเกรดสบาย บ้านเลี้ยงสุนัขอีกแห่งหนึ่งบนถนนพุทธมณฑลสายสามซึ่งมีสุนัขกว่าร้อยตัวที่ต้องเป็นภาระดูแลอยู่ที่นี่ท่านก็ได้ให้การช่วยเหลือดังท่านเล่าความเป็นมาว่าไปกรุงเทพอีกคราวนี้เขาก็เขียนจดหมายมาหาเราเพราะจดหมายเราเบื่อพอแล้วนะมันจดหมายอะไร จดหมายยุ่งนีนะเอามาอ่านใจอ่อนทันทีเขาพูดถึงเลี้ยงหมาไม่มีเงินติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพังเพราะการเลี้ยงหมานั่นเองสงสารหมาไม่รู้จะทำยังไงก็ไปกู้ยืมเพื่อนฝูงมาซื้ออาหารให้หมากินเจ้าของก็จนตรอกจนง ม, มเวลานี้ติดหนี้ท่วมหัวหมาบางวันก็อิ่ม บางวันก็หิวจะตายร้องควรวญครางจะตายแต่เจ้าของจะตายไม่ทราบจะทํำยังไงถ้าท่านจะเมตตาได้ก็จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งเขาเขียนจดหมายมาพอเห็นเท่านั้นเราให้พระตามไปเลยนะวันหลังเขาบอกบ้านเล็กที่ไว้เรียบร้อยที่กรุงเทพตามไปดูก็โยเยียยเยียตามที่บอก ถามเขาให้ชัดเจนนะทุกสิ่งทุกอย่างถามให้ชัดเจนพอถามเสร็จแล้วก็มาเจ้าของเขาก็ตามมามาถึงเราก็ถามกับเจ้าของเขาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเขาบอกว่าสิทนี่อยู่สำหรับเลี้ยงหมาเลี้ยงหมานี้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่หมดประมาณหมื่นห้าว่างั้น เดือนหนึ่งให้พอเหมาะพอดีประมาณหมื่นห้านี่ทั้งหมดนั้นหามาเลี้ยงหมานะเราเห็นใจเอาเราจะใช้ให้เดี๋ยวนี้ส่งไปแล้วพอมาถึงปั๊บก็ส่งปุ๊บเลยเดือนละหมื่นห้านั้นเราให้เป็นเดือนละ3ามหมื่นประจำทุกเดือนไปเลยให้เป็นเดือนละสามหมื่นเรียกว่าทบครึ่ง เือเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วใช้หนี้ก็ให้พร้อมไปเลยเราก็จะจ่ายให้ตามนั้นหมดเลยหมาที่สวนแสงธรรมกําลังทุกขเราจึงช่วยทุกพออ่านจดหมายว่าหมาใจอ่อนเลยนะเลยคําว่าวุ่นจดหมายวุ่นนี่มายังไงกันเลยหมดเลยคําว่าวุ่นอ่อนทันทีเลยให้ตามไปดูในวันหลังได้ความมาอย่างนั้นละ่ะ ก็เป็นอันว่าเรื่องแล้วนี่เราก็จะให้คนนี้ให้เขาอยู่เลี้ยงหมาที่ไร่หนึ่งนั้นให้เลี้ยงหมาหมดเลยบุญของเขาบุญของหมา ความเมตตาส่วนนี้ท่านถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งชนิดที่ท่านไม่ยอมให้บกคร่องเลยนั่นคือความเมตตาต่อสัตว์ที่อยู่ในวัดป่าบ้านตาาซึ่งมีอยู่หลายประเภทเช่นไก่ป่ากระรอกกระจอนกระแตท่านคอยสังเกตเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารน้ำตลอดมา โดยเน้นเตือนพระเนนที่มักเผลอลืมให้อาหารสัตว์อยู่เสมอๆเขาอยู่กับเราเขาก็อาศัยเราเราจะใจจืดใจดำไม่สนใจการกินอยู่ของเขานั้นไม่ควรอย่างยิ่งเราก็หิวเขาก็หิวเรามีปากมีท้องเขาก็มีปากมีท้องเช่นกันอย่าเป็นพระแบกใจดำใจดำ สิ่งใดพอจะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ช่วยเหลือกันไปจึงจะสมกับเป็นลูกสิทธาคตผู้มีเมตตาธรร ม, มเหตุนี้เองภายในวัดจึงมีที่สำหรับให้น้ำให้อาหารแก่กระรอกกระแตมีการทำเป็นร้านเล็กๆสูงระดับปกกระจายอยู่ทั่ววัดกะจำนวนได้มากกว่าร้อยจุดร้านกระรอกทุกร้าน ท่านเน้นย้ำว่าควรมีข้าวเหนียวกล้วยสุกหรือผลไม้สุกในประมาณพอดีกับที่เขาต้องการไม่มากไปจนบูดเน่าเหม็นหรือน้อยไปจนขาดเขินควรเหลือไว้บ้างพอดีพอดีการให้อาหารก็โดยพระเนรครวาดจะมาเอากล้วยหรือผลไม้อื่นๆจากโรงเก็บ ซึ่งเป็นจุดกลางจากนั้นก็นําไปวางไว้ตามจุดให้อาหารที่ตนรับผิดชอบบริเวณใกล้กุฏิพวกไก่ป่าจะมีกระสอบข้าวสารหักวางไว้ที่จุดกลางเสมอเสมอเพื่อไว้ให้พระเนนครวาาตักใส่ถังแล้วเอาไปหวานในจุดให้อาหารทั่ววัดตามเขตรับผิดชอบของตน และคอยมันสังเกตน้ำกินของสัตว์ด้วยไม่ปล่อยให้พร่องไปสิ่งเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระเนนผู้มาศึกษาอยู่กับท่านทุกระยะนับตั้งแต่ตั้งวัดเป็นต้นมาต่างองค์ต่างรับผิดชอบใส่ใจดูแลสัตว์ในวัดเสมอมาทุกรุ่นทุกรุ่นไป ตาธรรมอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณของท่านดังที่ได้บรรยายมาแต่ต้นนี้ย่อมไม่สามารถจะพนานาให้หมดสิ้นได้อย่างแน่แท้สิ่งที่พอจะสื่อได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือคำกล่าวของท่านเองที่ว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่นิ่มนวลอ่อนโยนเมื่อเข้าสัมผัสสัมผั์กับใจผู้ปฏิบัติ ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วจิตใจนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่นิ่มนวลอ่อนโยนไปด้วยเมตตาจิตไม่เคยมีก็มีไม่เคยเสียสละก็เสียสละได้เพื่อผู้อื่นเพราะความเมตตาสามารถมองเห็นเขาเห็นเราว่ามีสาระสำคัญเช่นเดียวกันได้เพราะความเมตตา เพื่อทำมีอยู่ในจิตดวงใดมากน้อยจิตดวงนัง้นต้องแสดงออกทางกริยาให้เห็นปิดไว้ไม่อยู่ยิ่งจิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะนิ่มนวลละเอียดอ่อนยิ่งกว่าจิตดวงนัง้นให้ความเสมอภาคให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั่วไปไม่พูดเพียงมนุษย์เท่านั้น แม้แต่สัตว์ดีรฉานชดิษใดก็าตามไม่กล้าดูถูกเหยียดหยามไม่กล้าทำลายให้ความเสมอภาคตามความจริงและเมตตาโดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าจะเป็นลุ่มลุ่มดอนดว่าคราวนั้นมีเมตตาคราวนี้ไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตเมตตาดวงเมตตาทั้งดวงก็คือ หิดดวงที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว